เก้าปีตะวิมานว่าด้วยวิมานสีเหลืองที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายดอกบวบขมท้าส ก, กะเทวราช ประทามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเทพธิดาผู้มีผ้านุ่งห่มและทงล้วนแต่สีเหลืองประดับประดาด้วยเครื่องประดับสีเหลืองมีกายรูปไร้ด้วยจันเหลืองทัดทรงดอกอุบลเหลืองมีประสาสีเหลืองมีที่นอนที่นั่งสีเหลืองมีภาชนะสีเหลืองมีฉัดสีเหลืองมีรถสีเหลืองมีม้าสีเหลืองมีพัชสีเหลืองเทพธิดาผู้เจริญ ชาติก่อนเธอได้ทำกรรมอะไรไว้ในมนุษยโลกเธอจงตอบตามที่ฉันถามเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าเทพธิดานั้นทูลตอบว่าพระองค์ผู้เจริญมอมฉันได้น้อมนำดอกบวบขมจำนวนสี่ดอกซึ่งมีรสขมไม่มีใครปรารถนาไปบูชาพระสถูรมอมฉันมีจิตเลื่อมใสมุ่งถึงพระบรมสารีเลกธาตุของพระาศาสดา มีใจจดจอ่อพระบรมสารีเรื่กรธาตุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทันพิจารณาดูทางที่แม่โคนั้นมาทันใดนั้นแม่โคได้ขิดหม่อมฉันซึ่งยังไม่ทันไปถึงพระสถูทปสมความตั้งใจถ้าหม่อมฉันพึงสั่งสมบุญนั้นไว้ได้ยิ่งขึ้นทิพยาสมบัติก็จะพึงมียิ่งกว่านี้แน่ข้าแต่ท้ามขวานเทพกุญชรจอมเทพ เพราะกุศลกรรมนั้นม่อมฉันจึงละกายมนุษย์มาอยู่ร่วมกับพระองค์ท้ามคูวาลเทพกุญชรจอมเทพชั้นเดวดึงทรงสดับเนื้อความนี้แล้วเมื่อจะให้เทวดาชั้นเดวดึงเลื่อมใสจึงได้ตรัสกับมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีท่านจงดูผลกรรมอันวิจิตน่าอัศจรรย์นี้ของควรทําบุญที่เทพธิดา น, นี้ทําแล้วถึงจะน้อยผลบุญกลับมีมาก เมื่อมีจิตเลื่อมใสพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทักษิณาหาชื่อว่ามีผลน้อยไหมมาเถิดมาตลีแม้ชาวเราทั้งหลายก็ควรรีบเร่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เมื่อพระตถาคตยังทรงพระชนอยู่ก็ตาม เสด็จปรินิพานแล้วก็ตามเมื่อจิตสม่ำเสมอผลก็ย่อมมีสม่ำเสมอเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสุคติพระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติมาเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากหนอะทายกทายิกาทั้งหลายถวายสักการะบูชาแล้วได้ไปสวรรค์ตีตะวิมานที่เกจบสิบพุ ช, ชุวิมานว่าด้วย วิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายท่อนอ้อยพระมหาโมคลานะเทระถามเทพที่ดาวองค์หนึ่งว่าเธอมีสิริมีรัศมีกายมีบริวารยศและมีเดชเปล่งรัศมีสองทั่วแผ่นดินพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างสวัยรุ่งเรืองดุจพระจันทร์และพระอาทิตย์และดังเท้ามหาพรมเปล่งรัศมีงามล้ำกว่าทวยเทพชาวไตรทศพร้อมทั้งพระอินท์ อาตามาขอถามเธอเทพที่แดาผู้เลอโฉมประดับมาลัยดอกอุบลมีมาลัยแก้วประดับเสร้มีผิวพันเปล่งปลัง่งดังทองคำประดับประดาอาพร อ, อย่างสวยงามทรงพัสตราพรชั้นเลิศเธอเป็นใครมาไหว้อาตามาชาติก่อนเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมอะไรมาก่อนได้สั่งสมทานไว้ดีหรือว่ารักษาศีลไว้ดีเกิดในสวรรค์ มีบริวารยศเพราะกรรมอะไรเทพธิดาอาตมาถามแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าเทพธิดานั้นตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อไม่นานมานี้พระเทระรูปหนึ่งเข้ามาบินตาบ่ายังเรือนของดิฉันในหมู่บ้านนี้แหละจากนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใสเกิดปิติสุดประมาณจึงได้ถวายท่อนอ้อยแด่ท่าน แต่ต่อมาภายหลังแม่ผัวซักถามดิฉันว่าแม่ตัวดีแกเอาอ้อยไปทิ้งไว้ที่ไหนล่ะดิฉันจึงตอบว่าไม่ได้ทิ้งแล้วก็ไม่ได้กินแต่ดิฉันได้ถวายแด่ภิกษุผู้สงบระ ง, งับไปแล้วทันใดนั้นแม่ผัวนั้นได้ด่าดิฉันว่านิ่แกหรือฉันเป็นใหญ่กันแน่ว่าแล้วก็คว้าก้อนดินทุ่มดิฉัน ดิฉันตายจากมนุษย์โลกนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทพธิดาดิฉันทํากุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงได้มาสวยผลกรรมที่นําความสุขมาให้ได้รับการบําเรอบันเทิงใจอยู่ด้วยกามาคุณห้าร่วมกับหมู่เทพดิฉันทํากุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ตนเองจึงได้มาสวยผลกรรมที่นําความสุขมาให้มีเท้าสักกะจอมเทพคุ้มครอง มีทวเทพชั้นไตรทศรักษาเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามคุณห้าผลบุญดังกล่าวมานี้มิใช่เล็กน้อยบุญที่ดิฉันได้ถวายอ้อยให้ผลมากดิฉันจึงได้รับการบำเรอบันเทิงใจอยู่ด้วยกามคุณห้าร่วมกับหมู่เทพผลบุญดังกล่าวมานี้มิใช่เล็กน้อยบุญที่ดิฉันได้ถวายอ้อยมีอนุภาพมากดิฉันจึงมีเท้าสักกะจอมเทพคุ้มครอง มีถวยเทพชั้นไตรทดรักษาดังเท้าสหัสนัยในนันทวันพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเข้าไปหาพระคุณเจ้าผู้อนุเคราะห์ซึ่งมีปัญญาแล้วกราบไหว้และถามถึงความไม่มีโรคจากนั้นก็มีจิตเลื่อมใสเกิดปิติสุดประมาณได้ถวายทอนอ้อยแด่พระคุณเจ้าอุจุวิมานที่ส0บจบส1อ วันธนวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นใหญ่ยิงผู้กราบไหว้สมณนะพระมหาโมคลานะเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคลาะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์พบสมณะทั้งหลายผู้มีศีลจึงไหว้เท้าทำใจให้เลื่อมใสอันหนึ่งดิฉันปลื้มใจได้ประคองอัญฉชลีเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ วันธนาวิมานที่11จบ 12. รัชชุมาลาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้สักกระเคารพพระพุทธเจ้าพระมหาโมคลานเถระ ถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักขณะที่ดนตรีบรรเลงอยู่อย่างไพเราะเธอกลีกรายมือและเท้าฟ้อนรำได้อย่างกลมกลืนเมื่อเธอนั้นกําลังฟ้อนรำอยู่เสียงทิพน่าฟังน่ารื่นรมใจย่อมเปล่งออกจากอาวิวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัตว์ของเธอทั้งกลิ่นทิพหอมระรื่นชื่นใจก็ฟุ้งออกจากอาวิวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัตว์ของเธอ เมื่อเธอเยื้องไหวกายไปมาเสียงเครื่องประดับที่ช้องผมก็เปล่งเสียงดังไพเราะน่าฟังดังเสียงดนตรีเครื่องห้าอันหนึ่งต่างหูเพชรต้องลมสั่นไหวก็ส่งเสียงดังไพเราะน่าฟังดังเสียงดนตรีเครื่องห้าแม้มาลาัยบนศีรษะของเธอมีกลิ่นหอมระรื่นชื่นใจก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศดูต้นอูโลกเธอสูดดมกลิ่นหอมระรื่นนั้น ทั้งได้เห็นรูปที่ไม่ใช่ของมนุษย์เทพธิดาอาตมาถามแล้วขอเธอจงบอกเถิดว่านี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่าเทพธิดานั้นตอบว่าชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นทาสีของพราหมณ์ในหมู่บ้านขยามีบุญน้อยด้อยวาสนาคนทั้งหลายรู้จักดิฉันในนามว่ารัชุมาลาดิฉันเสียใจอย่างหนักเพราะถูกด่าว่าถูกเคี่ยนตีต่าง และถูกคุก ค, คามจึงถือหม้อน้ําออกไปทําเป็นเสมือนจะไปตักน้ําครั้นแล้วได้วางหม้อน้ําไว้ข้างทางเข้าไปยังป่าชัดโดยตัดสินใจว่าจากตายในป่า น, นี้แหละเราอยู่ไปจะมีประโยชน์อะไรเล่าจึงทําบ่วงให้แน่นแขวนเข้ากับต้นไม้ทีนั้นก็เหลียวดูไปรอบทิศด้วยคิดเกรงว่ามีใครอยู่ในป่าไหมหนอณนะที่นั้น ดิฉันได้เหลือเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดทรงเกื้อกูลสัตว์โลกทั้งมวลผู้ไม่มีโรคภัยประทับนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ดิฉันนั้นเกิดความสังเวชขนลุกชูชันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคิดว่าใครหนอมาอาศัยอยู่ในป่านี้เป็นมนุษย์หรือเทวดากันแน่เพราะได้เห็นพระพุทธองค์ผู้หน้าเลื่อมใสควรแก่การยินดี เสด็จออกจากป่าแล้วมาสู่ความไม่มีป่าคือกิเลสใจของดิฉันก็เลื่อมใสด้วยคิดเห็นว่าท่านผู้นี้คงไม่ใช่คนธรรมดาสามัญเป็นแน่ท่านผู้นี้คุ้มครองอินทรีย์ได้แล้วยินดีในฌานมีใจไม่วกแวกจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกทั้งมวลเป็นแน่ท่านผู้นี้เป็นที่น่าเกรงขาม ูซึ่งบุคคลที่ปราศจากความเพียงและความมาดหมายทาให้ทรงชื่นชมได้ยากดังราชสีซึ่งเป็นสัตว์อยู่ถ้ำาน่าเกรงขามยากที่ใครจะทำให้ชื่นชมและยากที่จะได้พบเห็นเหมือนดอกมะเดือ่อพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสเรียกดิฉันด้วยพระวาจาที่นุ่มนวลว่ารชชุมาลาและรับสั่งกับดิฉันว่า เธอจงถึงตถาคตเป็นที่พึ่งเธอดิฉันฟังพระดำรัสอันปราศจากโทษประกอบด้วยประโยชน์หมดจดละเอียดอ่อนนุ่มนวลไพเราะเป็นเครื่องบรรเทาความโศกเศร้าทั้งปวงเสียได้นั้นจึงเกิดจิตเลื่อมใสพระตถาคตผู้ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าทรงทราบว่าดิฉันมีจิตเลื่อมใสมีใจบริสุทธิ์ควรแก่การรับฟังแล้วจึงได้ทรงพร่ำสอน พระองค์ได้ตรัสสอนดิฉันว่านี้คือทุกข、นี้คือเหตุเกิดทุกขนี้คือความดับทุกและนี้คือทางสายตรงให้บรรลุอมะตะธรรมดิฉันดำรงอยู่ในพระโอวาทของพระธถาคตผู้ทรงอนุเคราะห์เปื้อกูลทรงฉลาดว่าบุคคลได้บรรลุทางคืนนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันไม่ตายสงบระงับไม่มีการจุติดิฉันนั้นมีความพักดีมั่นไม่วันไหว เพราะมีความเห็นชอบเป็นปกติด้วยศรัทธาที่ยังรากลงแล้วจึงได้เป็นทิดาที่แท้จริงของพระพุทธองค์ดิฉันนั้นไม่มีภัยจึงเที่ยวรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ทัดสรงมาลัยทิพดื่มน้ำหวานที่ทำให้สดชื่นเหล่าดุริยาเทพหกหมื่นองค์ช่วยกันปลูกเราดิฉันให้เกิดปิติสมนัตได้แก่เทพบุตรมีนามว่าอาลัมพระคัคคระ ผีมะสาธุวาทีประสังสยะโปฆระและสุพัสสะเราเทพที่ดาน้อยๆมีนามว่าวีนาโมขานันทาสุนันทาโซนทินนาสุจิมหิตาอลัมพุษามิสักเยศีและบุนทริกาอันหนึ่งเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอณีปสัสสสุพัสส สุพัทธาและมุทุวาทินีผู้ประเสริฐกว่านางอักษรทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปลุกเร้าให้เกิดปิติสมนัตเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอด้วยวาจาหน้ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจะาฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรมสถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้มิใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้นไม่มีความโศกน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นดาวดึงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ที่ได้ทาบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตอยู่ร่วมกับเทพชั้นดาวดึงเหล่านี้ควรทากุศลไว้ให้มาก เพราะว่าเหล่าชนผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระตถาคตทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากหนอทรงเป็นพระทักขินายบุคคลเป็นบอกเกิดแห่งเนื้อนาบุญของมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ทายกทายิกาทั้งหลายทําศักระบูชาแล้วจากบันเทิงอยู่ในสวรรค์รัชชุมาลาวิมานที่สิสองจบ รวมเรื่องวิมานที่มีในวรรคนี้คือ 1. มัจฉิทกะวิมาน 2. ปภัสสรวิมาน 3. นาควิมาน 4. อโลมะวิมาน 5. ากัญชิกกะทายิกาวิมาน 6. วิหารวิมาน 7. จตุริถิวิมาน 8. อัมภะวิมาน 9. ปีตะวิมาน 10. อุชุวิมาน 11. วันธนาวิมาน 12. ราชุมาลาวิมานมัจจิตกะวักที่สจบอิทีวิมานจบบริบูรณ์ วิมานหามหาราถวัชหมวดว่าด้วยรถใหญ่ 1. บมันทูกะเทวบุตตะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่มันทูกะเทพบุตรพระผู้มีพระภาคประทับมันทูกะเทพบุตรว่าใครกันมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และบริวารยศ เปล่รัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศกราบท้าทั้งสองของเราอยู่มันทุ ก, กะเทฆะบุตรกราบทูลว่าชาติก่อนข้าพระองค์ได้เกิดเป็นกบเที่ยวหาขินอยู่ในน้ำขณะที่ข้าพระองค์กําลังฟังธรรมของพระองค์อยู่คนเลี้ยงโขลเรียกข้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ทรงเลงเห็นความสำเร็จแห่งจิตที่เลื่อมใสเพียงครู่เดียวและโปรดทอดพระเนตรบริวารยศอนุภาพ ผิวพันธุ์และความรุ่งเรืองของฆ่าพระองค์เถิดข้าแต่พระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชนผู้ได้ฟังธรรมของพระองค์ตลอดการยาวนานย่อมบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นฐานะที่เ่าสัตว์ไปแล้วไม่เศร้าโศกมัณฑุกะเทวปุตตะวิมานที่หนึ่งจบ 2. เรวตีวิมานว่าด้วย วิมานที่เกิดขึ้นแยนันทิยะอุบาสกผู้เป็นสามีของนางเรวดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าญาติมิตรและสหายผู้มีใจดีย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้ร้างแรมไปนานแล้วกลับมาจากที่ไกลโดยสวัสดีว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็เช่นเดียวกันย่อมต้อนรับเฉพาะบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วซึ่งจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า เหมือนญาต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสุธนรกจึงกล่าวว่าจงลุกขึ้นนางเรวดีผู้แสนจะชั่วช้ามีปกติไม่ให้ทานประตูนรกเปิดแล้วพวกเราจะนําเจ้าโยนลงไปในนรกอันเป็นสถานที่ทอดถอนใจของเราสัตว์นรก ผู้มีความทุกข์ทรมานทนทุกอยู่พระธรรมสังขีติกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ายักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดังทูตพญายมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็จับแขนนางเรวดีคนละข้างพาไปใกล้หมู่เทวดานางเรวดีถามยักษ์สองตนว่านั่นวิมานของใครมีรัศมีดังแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงามน่าอยู่อาศัย ปกคลุมด้วยตาข่ายทองเนื่งแน่นไปด้วยเทพประบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์มูเทพนารีลูปไร้ายกายด้วยแก่นจันทร์หอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บรรเทิงอยู่ในวิมานเป็นใครกันยยกสองตนจึงบอกแกนางเรวดีว่า ที่กรุงพาราณสีมีอุบาสกชื่อนันทิยะเป็นคนไม่ตรนีเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เนืองแน่นไปด้วยเทพประบุษและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์นั่นเป็นของนันทิยะอุบาสกมูเทพนารีรูปไร้กายด้วยแก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์ คนที่ขึ้นสวรรค์บรรเทิงอยู่ในวิมานคือนันทิยาอุบาสกนางเรวดีกล่าวว่าฉันเป็นพันยาของนันทิยาอุบาสกเป็นใหญ่ในเรือนเป็นใหญ่ในทรัพย์สินทั้งหมดของสามีบัดนี้ฉันจะรื่นรมในวิมานของสามีไม่ปรารถนาจะเห็นนรกยักษ์สองตนนั้นไม่ยอมเชื่อจึงพาตัวนางลงไปใกล้อุสุธนรกแล้วกล่าวว่า นางผู้แสนจะชั่วช้านี่แหละนรกสำหรับเจ้าบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษย์โลกเพราะคนตรนีมักโกรธมีบาปธรรมย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์นางเรวดีเห็นนายนิรยบาลสองตนพากันมาฉุดคร่าตนเพื่อจะโยนลงไปในคูนรกชื่อว่าสังสวรกะจึงถามถึงนรกนั้นว่า ทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจระปัสาวะสิ่งสกปรกเหตุไ น, นอุจระนี้จึงมีกลิ่นเหม็นร้ายกาศคละคลุ้งไปเล่านายนิริยบาลตอบว่านางเรวดีนรกที่เจ้าจะหมกมาอยู่หลายพันปีนี้มีชื่อว่าสังสวกะนรกลือกร้อยชั่วคนนางเรวดีจึงถามว่าฉันทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรหรือหนอ จึงตกสังสวักะนรกที่ลึกร้อยชั่วคนในนิริยบาลตอบว่าเจ้าลวงสมณพราหมณ์และวณิพกพวกอื่นด้วยการกล่าวเท็จนั่นแหละบาปที่เจ้าทำไว้เพราะบาปนั้นเจ้าจึงตกสังสวักะนรกที่ลึกร้อยชั่วคนนางเรวดีเจ้าจะต้องหมกไหม้ยอยู่ในนรกนั้นหลายพันปีในนิริยบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้าหู แม้กระทั่งจมูกอันหนึ่งแม้ฝูงนกกาก็จะพากันมารุมจิกกินเจ้าที่ดิ้นทุรนทุรายอยู่นางเรวเดีกล่าวว่าโปรดเถิดพ่อคุณขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับไปเถิดดิฉันจักสร้างกุศลกรรมที่คนทำแล้วได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธรรมสม่าเสมอการสารวมและการฝึกอินทรีย์ นายนิริยบาลกล่าวว่าเมื่อก่อนเจ้าประมาทมัวเมาบัดนี้จะมาร่ำให้ทำไมเล่าเจ้าจากต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทำไวเองนางเรวดีกล่าวว่าใครจากเทวโลกไปยังมนุษย์โลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวถ้อยคาของดิฉันอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทานคือผ้านุ่งผ้าหม่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้ำ ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปล่อยวางอาชญาเพราะว่าคนตรหนี่มักโกรธมีบาป ร, รมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับผู้ไปสวรรค์ถ้าดิฉันนั้นจากที่นี่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลจกสร้างกุศลให้มากด้วยการให้ทานประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมและการฝึกอินทรีย์ดิฉันจะปลูกสวนไม้ดอกไม้ผล จกตัดทางเข้าไปในสถานที่ที่เดินลำบากขุดบ่อ น, น้ำและตั้งน้ำดื่มไว้ด้วยใจที่ผ่องแผ้วจะเข้าจำอุโบสถศีลซึ่งประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14ข่ค่ำ15บ้าค่ำและ8ดค่ำแห่งปักและตลอดวันปฏิหารยปักดิฉันจักสำรวมระวังในศีลตลอดเวลาและจักไม่ละเลยในการให้ทานเพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้ว พระสังคีติกาจารย์กล่าวไว้ว่านายนิริยบาลทั้งหลายชื่อกันโยนนางเรวดีที่กำลังพร่ำเพอดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนี้ให้เท้าชี้หัวดิ่งลงไปในนรกอันน่ากลัวนางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่าชาก่อนฉันเป็นคนตรนีด่าว่าสมณพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไม่ในนรกที่น่ากลัว เรวตีวิมานที่สองจบ 3. ชัตตะมานวากะวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ชัตตะมานพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระ พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงวิธีถึงสารณคมแก่ชัดตะมานบจึงตรัสว่าบรรดาผู้กล่าวสอนในหมู่มนุษย์ผู้ใดเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นพระสักยยมุนีจำแนพระธรรมสำเร็จกิจที่จะต้องทำแล้วถึงฝั่งพระนิพพานพร่างพร้อมด้วยพระและวิริยะเธอจงถึงผู้นั้นผู้เป็นพระสุคตเพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกเดิด เธอจงถึงพระธรรมอันเป็นเหตุสำรอกราคะมีสภาวะไม่หวั่นไหวไร้ความเศร้าโศกเป็นสภาวะธรรมที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งปราศจากสิ่งแปดเปื้อนน่าปรารถนาละเอียดอ่อนซึ่งพระตถาคตทรงจำแนกไว้แจ่มแจ้งแล้วนี้เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงทานที่ถวายในท่านเหล่าใดว่ามีผลมาก ท่านเหล่านั้นเคอพระอรียบุคคลผู้บริสุทธิ์สีคู่แปดท่านผู้เห็นประจักษ์ในธรรมเธอจงถึงพระอรียสงน์นี้เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดพระผู้มีพระภาคตรัฐ ถ, ถามเทพประบุนั้นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวฤกษ์พุทธะในท้องฟ้ายังสว่างสวยัยไม่เทียบเท่าวิมานของเธอซึ่งสว่างสวัยมากหาสิ่งเปรียบเทียมไม่ได้นี้เธอเป็นใครหนอ จากเทวโลกชั้นเดาวดึงมายังแผ่นดินวิมานของเธอนั้นมีรัศมีตัดแสงอาทิตย์แผ่ไปเกิน20บโยดและทํากลางคืนให้เป็นเสมือนกลางวันวิมานของเธองามบริสุทธิ์ผุดพองมีดอกปทุมมากมีดอกบุนทริกงดงามเกลื่อนกลาดด้วยดอกไม้นาน า, นาชนิดงามไม่น้อยคลุมไว้ด้วยตาข่ายทองอันบริสุทธิ์ปราศจากทุลีส่องสว่างยนต์อากาศเหมือนดวงอาทิตย์ วิมานของเธอเนืองแน่นด้วยเหล่าเทพอักษรผู้ทรงผ้ากำพลสีแดงและสีเหลืองหอมตลบด้วยกลิ่นกลิศนาดอกประยงและแก่นจันมีผิวพันเปล่งปลั่งดังทองคำประหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเทพบระบุและเทพที่แดจำนวนมากในวิมานนี้มีรูปร่างลักษณะต่างๆกันมีจิตใจเบิกบานทรงทิพยาอาภร์ประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ คลุมด้วยกรองทองหอมด้วยอาภรทองโชยกลิ่นหอมฟุ้งไปตามลมนี้เป็นผลแห่งกรรมอันใดเล่าเพราะผลกรรมอะไรเล่าเธอจึงมาเกิดในวิมานนี้อันหนึ่งตถาคตถามแล้วขอเธอจงบอกถึงวิธีที่เธอได้วิมานนี้ตามสมควรแก่เหตุนั้นเถิดเทพบุตรกราบทูลว่าพระศ า, าสดาเสด็จมาพบฉัตรมานพในทางนี้ เมื่อจะทรงอนุเคราะห์จึงได้ทรงพร่มสอนมานพนั้นฟังธรรมของพระองค์ผู้เป็นรัตนะอย่างประเสริฐแล้วเด็กกราบทูลว่าข้าพระองค์จะทำตามพระดํารัสที่ทรงพร่มสอนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งแรกข้าพระองค์เดียกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้ถึงพระชินะผู้ประเสริฐพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก แต่ภายหลังได้ทำตามพระดำรัสของพระองค์ตามที่ทรงพระสอนนั่นแลอันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสสอนว่าเธออย่าได้ประพฤติตนเป็นคนฆ่าสัตว์โดยวิธีต่างๆอันเป็นกรรมไม่สะอาดเพราะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สรรเสริญความไม่สมรวมในสัตว์ทั้งหลายเลยข่าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แรกข่าพระองค์เรียกราบทูลปฏิเสธ แต่ภายหลังได้ทําตามพระดํารัสของพระองค์ตามที่ตรัสสอนนั่นแลอันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสอนว่าเธออย่าสําคัญสิ่งของแม้ที่คนอื่นดูแลรักษาไว้ที่เขาไม่ได้ให้ว่าเป็นของควรถือเอาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แรกข้าพระองค์เรีกราบทูลปฏิเสธแต่ภายหลังได้ทําตามพระดํารัสของพระองค์ตามที่ตรัสสอนนั่นแลอันหนึ่ง พระองค์ได้ตรัสสอนว่าเธออย่าได้ล่วงละเมิดหญิงที่คนเอื่นรักษาและปัญญาของชายอื่นนั่นเป็นสิ่งไม่ประเสริฐข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์เรียกราบทูลปฏิเสธแต่ภายหลังได้ทําตามพระดํารัสของพระองค์ตามที่ตรัสสอนนั่นแลอันหนึ่งพระองค์ได้ตรัสอนว่าเธออย่าได้พูดเนื้คลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สรรเสริญการกล่าวเท็จ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 ข้าพระองค์นั้นได้รักษาศิกขาบทห้าในพระศาสนานี้ปฏิบัติธรรมของพระตถาคตได้ไปยังทางสองแพร่งกลางชุมโจรพวกโจรเหล่านั้นได้ฆ่าข้าพระองค์ณที่นั้นเพราะโภคะเป็นเหตุข้าพระองค์ระลึกถึงกุศลกรรมมีประมาณเท่านี้นี่เองกุศลกรรมอื่นนอกจากนั้นของข้าพระองค์ไม่มีเพราะสุจริตกรรมนั้นข้าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชั้นเดวดึง พร่งพร้อมด้วยกามาคุณตามปรารถนาขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรผลของการสํารวมเพียงชั่วครู่ชั่วยามด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนเป็นอันมากผู้มีกรลังต่ําต้อยพากันมองดูนึกกระยิมชื่นชมข้าพระองค์เหมือนบุคคลพากันมองดูผู้รุ่งเรืองด้วยบริวารยศขอพระองค์โปรดทอดพระเนเถิดข้าพระองค์ถึงสุขติและได้รับความสุข เพราะพระธรรมเพียงเล็กน้อยส่วนเหล่าชนที่ได้ฟังธรรมของพระองค์เนืองเนืองเห็นทีจะสัมผัสอมตะธรรมซึ่งมีความกเสษมบุญกุศลที่ข้าพระองค์ดำรงอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระตถาคตทำแล้วแม้น้อยกลับมีผลยิ่งใหญ่ไพยบู์ขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรดูเถิดเพราะได้ทำบุญไวชาติเทพบุตรจึงเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วแผ่นดินเหมือนดวงอาทิตย์ ชนจำพวกหนึ่งประชุมปรึกษากันว่ากุศล น, นี้เป็นอย่างไรพวกเราจะบำเพ็ญกุศล น, นั้นอย่างไรพวกเรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติธรรมอยู่รักษาศีลกันอีกเถิดพระศาสดาทรงมีอุปการะมากและทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์อย่างนี้ในเมื่อข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ได้เสด็จไปแต่ยังวันอยู่เลย ข้าพระองค์นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระนามเป็นสัจธรรมขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอฟังธรรมซ้ําอีกชนเหล่าใดในพระาศาสนานี้ละการมราคานุสัยและภาวะราคานุสัยได้เพราะละโมหะได้ขาดชนเหล่านั้นแลย่อมไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกต่อไปเพราะว่า เป็นพูดถึงความดับอย่างสิ้นเชิงเย็นสนิทแล้วชตาตมานววกะวิมานที่สจบ 4. กะกะตะกะรัศทายกกะวิมานว่าด้วย วิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้านาผู้ถวายแกงปูพระมหาโมคลานะเทระถามเทพประบุตรองค์หนึ่งว่าวิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดเดอรอบได้สิบสองยดเป็นปราสาทเจ0รยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงามท่านสถิต ด, ดื่มกินอยู่ในวิมานนั้น มีทวยเทพพากันบรรเลงพินทิพดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจา ก, กามาคุณอันเป็นทิพย์รถและเหล่าเทพนารีประดับด้วยอาพรทองคำฟ้อนรำอยู่เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่านเทวดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่า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 เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสําเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทําไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ กะกะตะกะระสะทายกะวิมานที่สี่จบอีกห้าวิมานต่อไปนี้พึงให้พิดารเหมือนกะกะตะกะระสะทายกะวิมาน 5. ทวาระปาละวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่คนเฝ้าประตูผู้ชักชวนคนทำบุญพระมหาโมคลานเทระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า วิมานมีเสาทำด้วยแก้วมั น, นีนี้สูงมากวัดเดอิรอบได้12อโยดเป็นปราสาทเจ0ร้อยอดดูโอรานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพยทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคําสวยงามท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานนั้นมีทวยเทพพากันบรรเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจากากรรมคุณอันเป็นทิพรส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 และมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเทระถามว่าเขาพระเจ้ามีอายุพันปีทิพบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุเพียงกล่าวเชื้อเชิญและทำใจให้เลื่อมใสจากดำรงอยู่พรั่งพร้อมด้วยการมาคุณทั้งหลายอันเป็นทิพเพราะบุญนั้นเขาพระเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้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 ปฐมกรณียวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานเถระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยดเป็นปราสาทเ0 0รยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลมีพื้นปูลล ด, ด้วยแผ่นทองคาสวยงาม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 ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เสด็จไปโดยชอบแล้วซึ่งเป็นบุญยเคที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมากข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากป่ามายังหมู่บ้านเพื่อประโยชน์แก่เราหนาดังนี้แล้วจึงได้มาอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้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 ทุติยกริิยวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาสกผู้รู้กิจที่ควรทำเรื่องที่สองพระมหาโมคลานะเทระถามเทพประบุตรองค์หนึ่งว่าวิมานมีเสาทําด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยดเป็นปราสาท700รอยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูล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 บัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงบำเพ็ญบุญต่างๆในภิกษุทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบซึ่งเป็นบุญยเต ท, ที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมากข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในภิกษุนั้นว่าภิกษุออกจากป่าเข้ามายังหมู่บ้านเพื่อประโยชน์แก่เราหนาดังนี้แล้วจึงได้มาอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้